มีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้ส่งเพื่อคุณผันระเสิรกผู้มีดวงตาเห็นสิ่งที่พวกเรามองไม่เห็นกันเราจึงมีศรัทธามีความเชื่อ มีความเลื่อมใสในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อว่าพระธรรมคําสอนจะพาให้เราไปสู่ความสุขความเจริญให้เราอยู่ห่างไกลจากความทุกข์จากความเสื่อมต่างๆเราจึงมาวัดกันในวันนี้ เพื่อมาลาการกระทาบาปทั้งปวงมาสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมมาชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ mm hmm. ์เนื่องจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอน mm hmm. ให้พวกเราหมัน่นเ mm hmm. ตือนตัวเราเองอยู่เรื่อยๆว่า mm hmm. เราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดา รวพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดารวมพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดารวมพ้นความตายไปไม่ได้เรามีการพลดพลาดจากกันเป็นธรรมดารวงพ้นการพลดพลาดจากกันไม่ได้ เรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้กำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันมีกรรมเป็นที่พึ่องอาศัยจะทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปจะต้องเป็นผู้รับผลของบุญและบาปนั้นนี่คือสิ่งที่ทำให้พวกเรา ต้องมาวัดกันมาทำบุญมาละบาปมาชำระใจให้สะอาดกันเพราะการทำบุญจะพาเราไปสู่สุขคตินั่นเองหลังจากที่เราตายไปแล้วเราไม่สามารถเอาเข้าของเงินทองเอาบุคคลเอาราบยศสรรเสริญ เอารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาพะไปกับเราได้สิ่งที่เราเอาไปกับเราก็คือบุญและบาปที่เราทำกันอยู่ในชาตินี้ถ้าเราทำบุญมากกับทําบาปบุญก็จะมีกำลังมากกว่าบาปบุญก็จะเดินใจให้เราไปสู่สุคติถ้าเราทำบาปมากกว่าบุญ บาปก็จะมีกำลังมากกว่าบาปก็จะดึนเราไปสู่ทุกขติไปเกิดในที่ที่ไม่มีใครอยากจะไปเกิดเช่นไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปเกิดเป็นเปรตไปเกิดเป็นอสุรกายหรือไปตกนรกแต่เราสามารถยับยั้งใจของเราไม่ให้เกิด ไเกิดในอบายได้ถ้าเราประพฤติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สงสอนให้เราละา ก, การกระทำบาปทั้งปวงบาปนี้ก็แบ่งไว้เป็นสองส่วนบาปก็คือศีลและอบายามุขที่เราไม่ควรกระทำกันศีลก็คือการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่ดื่มสุรายาเมา น, นี่เป็นศีลเป็นการละเว้นการกระทำบาปแต่เราก็ต้องมาละเว้นอบายามุกด้วยเพราะอบายามุกนี้เป็นตัวเป็นเหตุที่จะให้เราไปทำบาป ก, กันนั่นเองเราจึงต้อง ละเว้นจากการเสพอบายอมมุกเล่นดื่มสุรายาเมางเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนเที่ยวดูการละเล่นต่างๆพบคนบาปเป็นมิตรแล้วก็มีความเกียดคร้านนี่คืออบายห้าประการที่จะไม่สามารถ ผลิดรายได้ให้กับเรามีแต่จะดูดทรัพย์ของเราให้ค่อยๆหมดไปเดิมสุราก็ต้องเสียทรัพย์เพื่อซื้อสุรามาดื่มดื่มแล้วก็มินเมาพอถึงเวลาไปทำงานก็ตื่นไม่ไหวก็ต้องขาดงานขาดบ่อยๆก็จะถูกเขาไล่ออกจากงานไป รายได้ก็จะไม่มีเมื่อรายได้ไม่มีแต่รายจ่ายยังมีอยู่ยังต้องเดื่มสุราอยู่นะก็จะใช้เงินที่มีเก็บไว้พอหมดแล้วไม่มีรายได้ไม่มีงานทำก็ต้องไปลักขโมยนะไปทำบาปนะนี่คืออบายามุกอบายแปลว่า ที่ที่ไปของผู้กระทาบาปมุกก็คือเทวานหรือทางเข้าใครที่เสพอบายมุกนี้ก็เรียกว่ากำลังไปยืนอยู่ทวานของอบายกำลังจะเดินเข้าอบายนั่นเองพอมีความจำเป็นก็จะทำบาปทันทีเพราะไม่มีรายได้มีแต่รายจ่าย มีแต่การสูญเสียเล่นการพนันก็เหมือนกันเล่นแล้วเดี๋ยวก็เสียถ้าได้ก็โลภอยากจะได้อีกก็ไปเล่นอีกพอเล่นอีกก็เสียพอเสียก็อยากจะได้คืนก็ไปเล่นอีกเล่นไปพอเสียพอเงินทองหมดก็ต้องขายทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง ขายทรัพย์สมบัติหมดก็ต้องขายบ้านขายบ้านหมดก็ต้องขายที่ดินในที่สุดก็สิ้นเนื้อประดาตัวไม่มีงานทำไม่มีรายได้ก็ต้องไปเป็นมิจฉาชีพไปรักทรัพย์ไปกระทำการโกหกหลอกลวงเพื่อที่จะได้เอาทรัพย์มาเล่นการพนันอีกท่านบอกว่า ขโมยขึ้นบ้านนี้ยังไม่ร้ายแรงเท่ากับเล่นการพนันเพราะว่าขโมยขึ้นบ้านก็เอาแต่ข้าวของไปแต่บ้านยังไม่เอาไปที่ดินยังไม่เอาไปไฟไหม้บ้านก็ยังดีกว่าเล่นการพนันเพราะไฟไหม้ก็ไหม้แต่ข้าวของเงินทองกับบ้านไปแต่ยังมีที่ดินเหลืออยู่ แต่ถ้าเล่นการพ น, น, นันนี้เสียหมดเลยเสียทั้งทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเสียทั้งบ้านเสียทั้งที่ดินและอาจจะเสียชีวิตพอเล่นการพนันแล้วก็จะมีการยืมกันยืมเงินยืมทองมาเล่นกันพอไม่มีเงินทองคืนเจ้าของที่เป็นนักเลงเดี๋ยวเขาก็มาทำร้ายเพื่อที่จะเอาเงิน ถ้าทำลายแล้วยังไม่ได้เงินเขาก็จะต้องฆ่าเพื่อจะได้ทำให้ไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไปนี่คือโทษของการกระทำอบายเสพอบายเช่นเดียวกับการเที่ยวกลรมคืนการเที่ยวดูการลเล่นต่างๆก็เป็นการเสียเงินเสียทองไม่เป็นการได้เงินได้ทอง คบคนเป็นคบคนบาปคนบาปก็จะชวนเราไปเที่ยวไปเล่นไปดื่มสุราไปเล่นการพนันเขาจะไม่ชวนเราไปทำมาหากินหาเงินหาทองความเกลียดค้านก็เหมือนกันถ้ามีความเกลียดค้านก็จะไม่อยากไปทำงานอยากจะเที่ยวอยากจะเล่นพอไม่ทำงานมีแต่เที่ยวมีแต่เล่น ก็มีแต่รายจ่ายไม่มีรายรับเดี๋ยวก็ต้องหมดเงินหมดทองพอไม่มีเงินทองแต่ยังต้องใช้เงินใช้ทองก็ต้องไปรักทรัพย์ไปฆ่าสัตว์ไปโกหกหลอกลวงไปประพฤติผิดประเวณีพอทำบาปแล้วถ้าบาปมีมากกว่าบุญก็จะไปเกิดในบาย บุญคงจะไม่มีเพราะไม่มีเงินจะทำบุญกันบุญเอามาใช้กับอบายามุกเสียหมดก็เลยไม่มีเงินเอาไปทำบุญพวกที่เสบอบายามุกนี้จะไม่ค่อยมีโอกาสได้ทำบุญเพราะเวลามีเงินก็อยากจะเอาไปเที่ยวอยากจะไปดื่มสุราอยากเอาไปเล่นการพนันอยากจะเอาไปทำอะไรที่ไม่เกิด คุณเกิดประโยชน์ไม่เกิดรายได้เอาไปใช้ใจ่ายแบบสุรุยสุร่ายแล้วก็จะทำให้เดือดร้อนเวลาเงินทองหมดนี่นี่คือสาเหตุที่ทำให้คนเราทำบาปกันแล้วสาเหตุที่ทำให้มีเดรัจฉานเกิดขึ้นมาในโลกนี้ก็เพราะว่าไม่รู้ว่าบาปมี ไม่รู้ว่าการลักทรัพย์ mm hmm. การฆ่าสัตว์ mm hmm. การประพฤติผิดประเวณี mm hmm. การพูดโกนี้ mm hmm. เป็นการกระทาบาปที่มีโทษตามมา mm hmm. ตายไปเลยต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างถ้าทำบาปด้วยความไม่รู้ถ้าทำบาปด้วยความโลภ ก, mm hmm. ก็จะไปเป็นเปรต ถ, mm hmm. ถ้าทำบาปด้วยความกลัว mm hmm. ก็ไปเป็นอสุรกาย ถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทเครียดแค้นก็จะไปตกนรกนี่คือที่ไปของผู้ที่ไม่รักษาศีลผู้ที่ไม่ละเว้นการเสพอบายามุกต่างๆแต่ถ้าผู้ที่ละเว้นการเสพอบายามุกละเว้นจากการกระทำบาปตายไปก็ไม่ต้องไปเกิดในอบาย ตายไปก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เลยแต่ถ้าได้ทำบุญตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ก็จะไปสวรรค์ไปสวรรค์ก่อนถ้าทำบุญทำทานแล้วก็ไม่ทำบาปไม่เสพอบายามุขเวลาตายไปก็จะไปสวรรค์ชั้นเทพชั้นต่างๆ ต, ตาม กำลังของบุญที่เราทำไว้ถ้าบุญทำมากทำบุญมากก็จะได้สวรรค์ที่สูงขึ้นไปมากถ้าทำบุญน้อยก็ได้สวรรค์ชั้นต่ำสวรรค์ชั้นต่าก็ความสุขน้อยกว่าความกับสวรรค์ชั้นสูงสวรรค์ชั้นสูงนี้ยิ่งสูงยิ่งมีความสุขมากเหมือนกับโรงแรมที่มี a ันดาว ถ้ามีดาวน้อยก็การบริการก็ไม่ประทับใจถ้ามีดาวมากมีห้าดาวการบริการก็จะพัดก็จะประทับใจทำให้ผู้รับบริการมีความสุขมากนี่คือเรื่องจริงที่พวกเราไม่รู้กันไม่เห็นกันเพราะเราไม่รู้ว่าใครไปเป็นผู้รับผลบุญผลบาปนั่นเองเพราะเรารู้จักแค่ร่างกายของเรา เห็นแค่ร่างกายของเราเราไม่เห็นใจของเราผู้เป็นตัวเราที่แท้จริงผู้เป็นผู้กระทำบุญกระทำบาปผู้เป็นผู้ไปรับผลบุญผลบาป ค, คือใจที่ไม่มีรูปร่างหน้าตามีแต่ความรู้สึกนึกคิดเรามีความรู้สึกนึกคิดแล้วเราใช้ความรู้สึกนึกคิดนี้ สั่งให้ร่างกายไปทำอะไรต่างๆตามความรู้สึกนึกคิดของเราถ้าเราไม่มีพระพุทธศาสนามาคอยสอนเราเราก็จะทำไปตามความรู้สึกนึกคิดที่ไม่ดีถ้าเราอยากจะเล่นการพนันเราก็จะเล่นถ้าเราอยากจะเที่ยวเราก็จะเที่ยวเราจะไม่มีความอา่ ไตรตรองแยกแยะว่าการกระทําที่เราอยากทํานี้เป็นคุณหรือเป็นโทษแต่ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้รับยินได้ยินได้ฟังสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนให้เราทําและให้เราละสิ่งที่ทํานั้นจะทําให้ได้คุณได้ประโยชน์กับเรา สิ่งที่สงสอรให้เราละจะทำให้เกิดโทษเกิดความเสียหายกับเราพอเรามาได้ยินได้ฟังแล้วเวลาที่เราเกิดความรู้สึกนึกคิดที่จะไปทำในสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม่ทำพอเราแล้วเราก็เปลี่ยนมาทำในสิ่งที่ดีเช่นเวลาเราจะไปเที่ยวกันไปดื่มสุรายาเมากัน ไปเล่นการพนันกันก็เปลี่ยนความคิดว่ามาวัดดีกว่ามาวัดมาทำบุญกันเพื่อบุญจะได้พาเราไปสู่สวรรค์ต่อไปอผู้ที่ไปคือจิตใจที่ไม่มีวันตายจิตใจของพวกเรานี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายจิตใจของเรานี้แหละที่มีกรรมเป็นผู้ให้กำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเป็นผู้ที่จะรับผลบุญผลบาปที่ได้ทำเอาไว้นี่คือเรื่องของการทาบุญของการละบาปจะส่งผลให้เราไม่ต้องไปทุกขติไม่ต้องไปอบายให้เราไปเกิดบนสวรรค์ชั้นต่างๆแต่สวรรค์และทุกขตินี้ ก็ยังอยู่ในกรอบของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนความไม่ถาวรขึ้นไปสวรรค์แล้วพอบุญที่ส่งเราไปหมดกําลังเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่หรือถ้าเราไปใช้บาปในอบายพอบาปที่เราใช้หมดไปเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ แล้วเราก็จะกลับมาทําบุญทําบาปใหม่ถ้าเราเคยทําบาปเราก็จะกลับมาทาบาปต่อถ้าเราเคยทําบุญเราก็จะกลับมาทําบุญต่อแต่การทําบุญทําบาปของเรานี้ก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนได้เช่นถ้าเราชอบทําบาปแต่เรามาเกิดในครอบครัวที่ชอบทําบุญเขาก็จะพาเรามาทําบุญ สอนให้เราทำบุญสอนให้เราไม่ทำบาปถ้าเราทำตามที่พ่อแม่สอนต่อไปเราก็เปลี่ยนนิสัยได้เปลี่ยนนิสัยจากการชอบทำบาปชอบเสพอบายามุขมาละเว้นการจะทำบาปละเว้นการเสพอบายามุขแล้วก็หันมาทำบุญพวกที่ชอบทำบุญพอ ก, กลับมาเกิดถ้าไปเกิดในครอบครัว ที่ชอบทำบาปชอบเสพอบายามุขก็อาจจะถูกให้เขาลา้างนั่งนิสัยได้ให้ทำตามที่เขาทำนี่คือในกรณีที่นิสัยยังไม่ลึกยังไม่ฝังลึกยังไม่เป็นสันดานถ้าเป็นสันดานแล้วนี่จะยากต่อการที่จะเปลี่ยนถึงแม้จะมาถ้าถ้าสันดานชอบทำบาปชอบเสพอบายามุข พอมาเกิดในครอบครัวที่ทําบุญไม่เสพอบายามุกก็จะทําเฉพาะตอนที่เป็นเด็กตอนที่ยังอยู่ภายใต้การปกครองแต่พอโตขึ้นมาเป็นตัวของตัวเองแล้วก็จะไปตามสันดานเดินถ้าชอบอบายามุกก็จะไปเสพอบายามุก้าชอบทําบาปก็จะไปทําบาปในทางตงน้นเงินข้าม พวกที่ทำบุญจนเป็นสันดานขึ้นมาก็จะไม่ถูกล้างได้อย่างง่ายๆถูกเปลี่ยนได้อย่างง่ายๆถึงแม้จะมาเกิดกับครอบครัวที่ทำบาปที่เสพอบายามุขก็อาจจะทำในเฉพาะช่วงที่เป็นเด็กช่วงที่ถูกบังคับให้ทำถูกสอนให้ทำแต่พอโตขึ้นเป็นตัวของตัวเองแล้วก็จะกลับไปทำตามสันดานของตน ดังนั้นถ้าเราอยากที่จะให้ชีวิตของเรานี้พัฒนาขึ้นไปสูงไม่ไปตกต่ำเราต้องพยายามทําบุญละบากให้เป็นสันดานขึ้นมาการจะทําให้เป็นสันดานก็คือทําบ่อยๆทําอยู่เรื่อยๆ เ, เช่นญาติโยมบางคนนี้มาวัดทุกวันบางคนมาวัดทุกอาทิตย์เนี่ยเป็นการปลูกฝังสันดานที่ดี มาทําบุญทุกอาทิตย์มาทําบุญทุกวันแล้วก็ละเสพอบายามุขละการกระทําบาปทุกวันหรือทุกอาทิตย์มันก็จะกลายเป็นสันดานขึ้นมาต่อไปกลับมาเกิดเป็นมนุษย์กี่ยงข้ามกี่รอบก็จะมีแต่ทําตามที่เป็นสันดานก็คือทําบุญอย่างพระพุทธเจ้านี้ท่านก็ทรงลูกฝังสันดานของการทําบุญของการทําความดี ถึงแม้ได้มาเกิดเป็นเจ้าชายเป็นาาราชโอรสถึงแม้จะมีความสามารถที่จะไปเป็นมาหาจาั ก, กรพรรดิแต่พระองค์ก็ไม่ปรารถนาพราการเป็นมาหาจาั ก, กรพรรดิก็ต้องไปทำสงครามไปฆ่าสัตว์ไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นที่ไม่มีอยู่ในสันดานของพระองค์แทนที่จะไปเป็นมาหาจาั ก, กรพรรดิพระพุทธเจ้าก็ออกบวช ไปเป็นพระไปเป็นนักบวชและไปตัดสรุเป็นพระอาหารหันต์ตะสัมมาสามพุทธเจ้าขึ้นมานี่คือเรื่องของการทำบุญละบาปจนเป็นสันดาลแต่การทำบุญละบาปนี้ยังไม่สามารถที่จะป้องกันหรือแก้ของการเวียนว่ายตายเกิดได้เรายังต้องกลับมาเกิดเมื่อเกิดแล้วก็ต้องมาทุกข์กับการทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง ทุกข์กับภัยอันตรายต่างๆทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บทุกข์กับความตายทุกข์กับการพากจากกันถ้าเราไม่อยากจะต้องมาเจอความทุกข์ซ้ำซากเหล่านี้เราก็ต้องปฏิบัติตามคำสอนข้อที่สก็คือให้ชําระใจให้สะอาดใจของเราไม่สะอาดเพราะอะไรเพราะมีกิเลสเครื่องเศร้าหมองห่อหุ้มจิตใจ ถ้าเรามีกิเลสแล้วกิเลสนี่แหละจะเป็นตัวที่จะดึงให้เรากลับมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆาะกิเลสก็คือความโลภความอยากได้สิ่งต่างๆอยากได้ลาบยศสรรเสริญอยากได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ต้องมีร่างกายเพราะถ้าไม่มีร่างกายก็จะไม่สามารถหาราบยศสรรเสริญ หาลูกเสียงกลิ่นลดโผฏฐาพได้แต่ถ้าเราเห็นว่าการมาเกิดนี้มันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขสู้อย่ามาเกิดดีกว่าเราก็ต้องมาหยุดความโลภหยุดความอยากด้วยการภาวนาด้วยการรักษาศีลแปดศีลของนักบวชหรือศีลสศีลรสิบเจ็ดแล้วก็เอาเวลามาเดินจงกรมนั่งสมาธิเพื่อจเจริญสติ เพื่อทำใจให้สงบเพราะเวลาใจสงบแล้วความอยากความโลภจะหายไปชั่วคราวแล้วความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่เราไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนจะก็จะปรากฏขึ้นมาเ อ, อเราได้พบกับความสุขที่เกิดจากการระงับความโลภความอยากเราก็จะเลือกเอาความสุขแบบนี้ ทุกครั้งที่เรามีความโลภความอยากจะได้ลาบยศสรรเสริญจะได้รูปเสียงกลิ่นลดเราก็จะไม่ไปทำตามความอยากพอเราไม่ทำตามความอยากต่อไปความอยากความโลภ ก, ก็จะหายไปจากใจใจก็จะสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาเป็นใจของพระพุทธเจ้าเป็นใจของพระอาหารหันต์ขึ้นมา พอสะอาดบริสุทธิ์แล้วก็ไม่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปเพราะเหตุที่จะดึงใจให้มาเกิดนั้นถูกชำระออกจากใจไปหมดแล้วคือความโลภความอยากได้ลาบยศสรรเสริญอยากได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายพอไม่ได้มีความโลภไม่มีความอยากจิตก็สะอาดบริสุทธิ์จิตสะอาดบริสุทธิ์นี้เราเรียกว่านิพพาน เป็นจิตที่มีความสุขยิ่งกว่าความสุขทั้งบวงที่เราได้รับจากสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้พอถึงนิพพานแล้วก็ยุติการเวียนว่ายตายเกิดแต่ไม่ได้ตายไม่ได้หายไปไหนใจก็ยังอยู่เหมือนเดิมอยู่ที่นิพพานอยู่ที่ความสะอาดบริสุทธิ์อยู่ที่ความสุขอยู่ที่บรมมสุขต่างกับใจของพวกเราที่อยู่กับสุขกับทุกข์ ทุกเสี้ยส่วนใหญ่สุขนานานจะสุขแักทีเดี๋ยวก็ต้องทุกข์กับเริ่มนั้นทุกข์กับเริ่มนี้ทุกไปจนวันแก่ทุกไปจนวันตายทุกจนวันเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วยังไม่เข็ดยังต้องกลับมาเกิดใหม่มาทุกข์อีกอยู่เรื่อยๆจนกว่าเราจะสามารถจเจริญสตินั่งสมาธิทําใจให้สงบให้ใจมีความสุขแล้วเราก็จะได้ เลิกหาความสุขตามความโลภตามความอยากนี่คือการมาสร้างคุณสร้างประโยชน์ให้กับจิตใจของพวกเราที่จะต้องเดินทางต่อไปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเราจึงไม่ควรมาหลงไหลเสียเวลากับการหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรส เพราะถ้าเรามัวแต่มาหาความสุขเราจะไม่มีเวลาทำบุญแล้วลเราก็จะไม่ละการกระทำบาปเราก็จะไม่มีเวลามาชาระสักฟอกใจของเราให้สะอาดตายไปเราก็จะต้องไปอบายเสียส่วนใหญ่แล้วก็กลับมาเกิดใหม่มาทำตามนิสัยเดิมตามสันเดินดานเดิมใหม่ก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆ แต่ถ้าเราสามารถทำตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนได้คือละการกระทำบาปทั้งปวงสร้างกุศลสร้างบุญทั้งหลายให้ถึงพร้อมําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เราก็จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิอดอีกต่อไปเราจะอยู่ที่พระนิพพานที่มีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียว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 โดยทั่วหน้ากันเธอ <c oughs>